การเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรมแม้จะมีจริงเป็นจริงโดยปราศ จ, จากข้อสงสัยและเป็นที่รับรองของพระพุทธองค์ดังปรากฏในหลักปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ตามแต่พุทธศาสนิกชนอีกจำนวนมากก็ยังเคลือบแพลงว่าจะมีจริงเป็นจริงหรือไม่บางคนถึงกับไม่เชื่อโดยอ้างว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ เข้าทำนองว่ากุ้งหอยปูปลาซึ่งเป็นสัตว์น้ําอาศัยอยู่ในน้ําไม่มีโอกาสขึ้นมาบนบกยอมคิดว่าโลกทั้งโลกมีแต่สัตว์ประสิ่งที่เห็นอยู่ในน้ําเท่านั้นจึงไม่ยอมรับว่าแท้จริงยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่อยู่บนบกด้านในอากาศหากมีกุ้งตัวใดตัวหนึ่งไปบอกพักพวกของมันว่า โลกนี้มีเครื่องบินมีโทรทัศน์บรรดากรุงทั้งหลายก็คงไม่เชื่อเพราะมันไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้และไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยกระบวนการทางความรู้ที่มันมีอยู่ดังนั้นความจริงกับความเชื่อของมนุษย์ก็เช่นกันอาจเป็นคนละเรื่องสิ่งที่มนุษย์เชื่ออาจจะมีจริงหรือไม่มีจริงก็ได้และสิ่งที่มีอยู่จริงมนุษย์อาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ การอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเครื่องตัดสินความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ทั้งหมดจึงม่ใช่เรื่องที่น่าจะถูกต้องนักเพราะวิทยาศาสตร์อยู่ในกระบวนการที่จะต้องพัฒนาอีกมากสิ่งที่วิทยาศาสตร์ค้นพบและพิสูจน์ได้ในปัจจุบันเป็นเพียงส่วนน้อยนิดของสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่ในสากลจักรวาลโดยเฉพาะเรื่องจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ และวิทยาการทางการแพทย์ยังเข้าไม่ถึงกันดังนั้นปรากฏการณ์ทางจิตวิญญาณจึงเป็นเรื่องเล้นลับสำหรับมนุษย์และเป็นเรื่องที่คนบางส่วนยอมรับได้แต่คนอีกบางส่วนไม่ยอมรับซึ่งขึ้นอยู่กับทิฐิของแต่ละคนเรื่องหมออาจีนบุญญเกต คุยกับวิญญาณเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งในลหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่ขาดสายเป็นเรื่องท้าทายต่อความเชื่อของมนุษย์ในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรมอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ดูจะมีน้ำหนักน่าเชื่อถือเพราะผู้เล่าไม่เพียงแต่จะเป็นผู้มีความรู้สูงศึกษามาทางแพทย์ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์และมีตำแหน่งหน้าที่ เป็นที่ยอมรับกันในสังคมเท่านั้นแม้ประจักษ์พยานหรือบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นที่รู้จักกันดีในวงสังคมยากที่จะปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อหวังผลทางใดทางหนึ่งซึ่งก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องทำเช่นนั้น สำหรับผู้ที่อ่านเรื่องนี้แล้วมีความเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและกฎแห่งกรรมคนอนข้าว่าเป็นกุศลเพราะผู้ที่มีความเชื่อเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วคงจะระมัดระวังการใช้ชีวิตของตนโดยลดในสิ่งที่เป็นบาปและสร้างเสริมที่เป็นบุญเพื่อความสุขความเจริญงอกงามของชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันยาวไกลผู้ที่อ่านแล้วไม่ค่อยจะเชื่อ หรือไม่เชื่อเลยก็ขอให้ลองคิดในแง่ของประโยชน์เฉพาะตัวว่าถ้าเชื่อจะได้ประโยชน์อะไรและเสียประโยชน์อะไรแต่ถ้าไม่เชื่อจะได้ประโยชน์อะไรและเสียประโยชน์อะไรนอกจากนี้ลองคิดเผื่ออีกนิดว่าความเชื่อกับความจริงบางทีก็คนละเรื่องกันถึงแม้ตนจะไม่เชื่อแต่ถ้าสิ่งนั้นเป็นจริงเมื่อตายไปตนจะต้องเกิดอีก โดยมีกระแสะกรรมที่ทำไว้เป็นตัวที่กำหนดเมื่อถึงเวลานั้นตนจะเปลี่ยนแปลงกรรมที่ทำไว้ไม่ได้เลยหากต้องรับกรรมหนักจะเป็นเรื่องที่น่าจะเพรงกลัวสักเท่าใดปัจชิมโอวาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ต่อภิกษุทั้งหลายก่อนเสด็จดับคันเทพรินิพานเป็นอมาตะวาจาอลำค่าของมนุษยชาติมีความว่าดูกนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเธอ